แต่ก็มอบลงไปเลยคือยาอยู่ไม่ได้ถึงวยรักที่จะมอบมอบยังไงคุ่มยังไงถ้าจิตปัญญามีเท่าไรุ่มยังไงแกขังหัวงายไม่ได้อะไอื่นก็ไม่เกินยหนมันเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดงานนี้ถึงวัยรัมันเป็นยากจริงจอย่างที่ว่า คแล้วก็คำไงคือพูดงี้ด้วยเงถ้วไม่ทาอะไรละละลยอืมเคลื่อนพันธุ์พังลหละเลยเราไม่ได้ทำพอเวลามาเห็นหมูเปื่อยหมูเป่นยพันธุ์พังละละแลยมันึงขวางตาแทงหัวไจไม่อยากพวบอย่างนีมันขัดกันจริงจริงเรถือเรื่องความเสียงนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากคือย มองเห็นพระจกเห็นพระที่มีความเปลี่ยนเราไม่อยากเห็นพระที่เดินดันได้ขี้นผ้าที่เด่นเยียบหัวอยู่ตลอดเวลาเราไม่อยากพบอยากเห็นเพราะที่เล่มันเยียบหัวคนอยู่แล้วเยียบหัวพระอยู่แล้วเราจะเห็นวิธีต่อสู้จะเห็นการต่อสู้ของพระเพื่อจะลากคอที่เด่นที่มันอยู่บนหัวลงมาเยียบเพรมันแหลกแตกกระจายไมีอะไรเลยให้เหลือถต่มุติธรรมเต็มหัวใจถ้าอยากพบอยากเห็นอยงนั้นเพราะอันนี้วิเศษสุด กิมันม้วนเสื่องแต่หัวใจเัืงนั้นมีอะไรควรใจนนะเนี่เมื่อประมวลลงมาแล้วทั้งหมดก็ทุกมากทุกน้อยการแต่ทหารจะทุกมาจกะทั่งถึงทุกอย่างละเอียดมันกน็เรื่องกิเลสทั้งนั้นทา้ทุกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะตั้ตมตั้มตัวความจริงมันเลยก็คือกิเลสเท่านั้น พานี่มันไม้วนเฉือนลงไปแล้วไม่มีอะไรนี่แม้แต่ถ้าขันมันจะแตกของมันอยู่ด้วยความเจ็บใครได้ปวดมันก็ทราบก็อยู่ตามความจริงของมันมันไม่ได้มีความกระทบกระเทืนมันมันมีความเจ็บปวดแฉลบร้อนภารกิจใจเลยมันตางอันต่างจริงอยู่นี่นั่นมันเห็นได้ันอย่างนั้นนะมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันจะทนได้มันก็ทนของมันทนไม่ได้มันก็ไปของมัน มันมีผูดเครือบมันคล้ายเปลือกเคลือบ เ, เหมือนกับไฟไม่กอไผ่ไฟต่อเข้าไปมัส่งเกลียวจุดเมฆเสียงระเบิดถึงปังปังปังปัๆตงัตงตงเหมือนฟ้าถลงในขนาดที่มันแสดงเต็มที่ทั้งฟืนทั้งไฟทั้งเสียงของไฟมันมันเหมือนกับว่าต่างอันต่างมีอินเด มือนก็บฟืนก็มีวิญญางไฟก็มีวิญญาณเปลวมันก็มีวิญญางความทึ่มันระบบตุ่มตามตามมันก็เหมือนมีวอย่างพจทธนาเขาตามความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยนฟืนมันก็ไม่รู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมายของไฟไฟเองก็ไม่รู้ความหมายของของตัวเองและไม่รู้ความหมายของฟืนเปลวส่งตัวเมื่อก็ไม่รู้ความหมายตัวเองเสียงระเบดตุมตามตามก็ไม่รู้ความหมายตัวเองก็คือเราที่ยืนดูอยู่นี้เป็นผู้รู้ความหมายทุกอย่าง ถึงนั้นเขาไม่รู้อันนี้ก็เหมือนการเวลาทุกเวทนามันบีบบังคับกายขึ้นเกดข้ายจะป่วยต้อหนักเนี่ยมันทำให้บิดให้ดิ่มให้อะไรก็อะไรมันก็เหมือนกับไฟไหม้ก็ไผ่้นั่นแหละงอมันหงิบมันก็เด็นตกปุ้งปังปุ้งปังเหมือนมือยันอันนี้ร่างกายมันก็หงิดก็งอหงัดแข่ง เหมือนเพราะทุกขเวทนาเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนไฟเผามันอันนี้เป็นหน้าพระอรหันเราก็แน่ใจว่าเป็นหน้าเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องส่วนาขันคือมันจะแสดงความหยิบความงอความกระตุกกระติกไปในแง่ต่างๆเป็นหน้าเหมือนกันเพราะเรื่องของขันขันทั้งโลกเป็นได้ขันนั้นนั่นก็เป็นได้อันไหนที่มันที่อยู่ในวิสัยของท่านที่จะบังคับได้ทัานบังคับอันไหนไม่ใช่วกสัยของท่านที่จะบังคับนั่นก็เป็นประตามเรื่องของขันล้วนๆมันก็ต้องแสดงหน้า ตอนนี้เรามฆคันแต่เมฆคันจิตนี่มเป็นอรธรรมชาติมตัวเองทั้งติดอยู่ในขันตัวสมมติแจิี่ก็เ็นยอมมดแล้วมีเข้ากันได้มัาประสานกันไดนหมมาทำาจให้ระลอกเพิณได้พราเพิณไม่ได้ว่างนะเหมือนกล้าพูดว่าพะอาหัรไม่มีทุกเวญนาไม่มีเวทนาว่า้ารเวทนมาจากไหน เวทนามัน ก, ก็เป็นสมมุติทุกเวทนาก็ตามทุกเวทนาก็ตามเผื่ขอาขายเวทนาก็ตามมันเป็นสมมติทั้งหมวลตัวเองจังุกหน้าต า, าตัวนทั้งนั้นคือตีมุดเต็มอันนี้การทุกหน้าตาเมื่อไรฮึความจริงก็เป็นอย่างนั้นรู้ก็อยู่อย่างนั้นม่แต่ทําอะไรให้ท่านสะทุ้กกระเทือก็เป็นหลักธรรมชาติตายตัวแล้วเราเรียกว่าอ ก, กุ ป, ปะก็เอาเรียกได้แล้วเต็ม ร, รักกเทือนหาข้อความลบไม่ได้ พ่อมันว่าัุกเสงไ้ตวายทารบางงดินนิผ่านงเดินมิานบานั่งมิานบางนอนมิานตามวลาสความถนัดของท่านในวาริท้านจะแสดงนก็้อเป่นการตันต้องการของท่านเพราะจิตขงท่านดินนี้แล้วในานะไม่ยบร่ํารรดาจิตใจของนได้ธรรมเรือไม่ได้ การบริหารของท่านนะอำนาจส่วนมาก ม, ามันอนอนาจนิพพานเนทะ่นั้นอำนนิพพานก็จาากําีน้อยแต่ยังมากกว่าถ้ายืนถ้เดินนิพพานมือน้อยมากเลยร่าง ก, ยกายกดขั้งหมดน่ะท่านเองท่านก็เห็นค้นท่านก็เห็นค้นในความเป็นของท่านว่ามันไม่ถูกทําไมว่าอาหารจะนิพพานานั้นได้เนท่านไม่เห็นค้านเนี่ย ท่านก็เล่าตามความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นอต่เขาไม่จริงท่างก็ค้านของท่านเองดิเพราท่านบ่าเห็เองที่ท่านกำลังค้านก็นเล่าตามความจริงทาได้ฟังแต่เราเองก็หาที่ค้านไม่ได้เหมือนกันยอมรับว่าเกปก็นเลยอาจจะตายในฆ่าใดาเรื่องใดปัตรเหตุเป็ น, น, นต้นหรือตายที่เรื่องของขันเหมือนเรื่องของขันล้วนๆเกิด ตายท่าไหนแบบไหนก็เป็นเรื่องของขันมันไม่ใช่เรื่องของคิดแต่ละมุดไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกันนี่มีปัญหาอะไรก็เรื่องท่าดังขันแตกตายไปด้วยวิธีการต่างๆด้วยเหตุการณ์ต่างๆมันก็เรื่องของท่าของขันทำที่พูดอยู่ทั้งหมดนี่มันก็กักงวนอยู่ในหัวใจนั่นทําไมตั้งจต่คุยเกี่ยเยี่ยเข้ามาโปเอาโปะเอาโ ป, ปจน มไม่ปิดตาหาทางออกไม่ได้ออกปฏิสิ่งที่มองดูไม่ได้นั่นเรื่องนี้เด็ดพาให้ออกไม่ใช่เรื่องทําบให้ออกอย่างนั้นีนที่เราสวดสังเวชเพราะเห็นหหนี่เองสวดทังเวชขโมกกับาวผกันสิ่งที่นํามาสอนก็สอนตรงต้นๆฟัอ ง, อ ง, องอย่างถึงใจถ้าจะถ้าจะให้ถึงใจมันก็ถึงเพราะพุฒิเทศโดยความถึงใจ่นะ ประเทศแบบละหล่อเลยแหละก็หมูกับเพนเทศ ด, ด้วยความจริงเต็มเม่เต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มหัวใจเจ้าของหาบุตรที่จะเข้าเข้าใจนี่นีมึ ง, งนนไม่มีในเรื่องความเข้าใจมั น, รร น, น, น, นจะ เ, เออนเเะเรื่องเทวทัศ์ทำลายศาสนาทำลายตัวเองนั่นเลยน่าสลดสังเวชเรื่องอดั้งทาไม่ากลับกันะล้ว